การเจริญสมาธิแบบธรรมดาพาไปเองการเจริญสมาธิในข้อนี้ก็คือการปฏิบตัติตามหลักการเกิดขึ้นของสมาธิในกระบวนธรรมะที่เป็นไปเองตามธรรมดาของธรรมชาติหรือธรรมดาพาไปโดยไม่ต้องคิดตั้งใจซึ่งมีพุทธพจน์แสดงไว้มากมายหลายแห่งสาระสำคัญของกระบวนธรรมะนี้คือ กระทำสิ่งที่ดีงามอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดปราโมทขึ้นจากนั้นก็จะเกิดมีปีติซึ่งตามมาด้วยปสัสสติความสุขและสมาธิในที่สุดพูดเป็นคำไทยว่าเกิดความชื่นบานบันเทิงใจจากนั้นก็จะเกิดความเ อ, อิบอิ่มใจร่างกายผ่อนคลายสงบจิตใจสบายมีความสุขและสมาธิก็เกิดขึ้นได้ เขียนให้ดูง่ายดังนี้ในที่นี้แต่ละคํามีลูกศรไปหากันนะครับราโมดปีติปัสสธิสุขสมาธิหลักทั่วไปมีอยู่อย่างหนึ่งว่าการที่กระบวนรธรรมะเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้นั้นตามปกติจะต้องมีศีลเป็นฐานรองรับอยู่ก่อน สำหรับคนทั่วไปสิ่งนี้ก็หมายเอาเพียงแค่การที่ไม่ได้ไปเบียดเบียนลุงละเมิดใครมาที่จะเป็นเหตุให้ใจคอวุ่นวายคอยระแวงหวาดหวันกลัวโทษหรือเดือดร้อนใจในความผิดความชั่วร้ายของตนเองมีความประพฤติสุจริตเป็นที่สบายใจของตนทำให้เกิดความเป็นปกติมั่นใจตัวเองได้ส่วนการกระทาที่จะให้เกิดปราโมทก็มีได้หลายอย่าง เช่นอาจนึกถึงความประพฤติดีงามสุจริตของตนเองแล้วเกิดความปลาบปลื้มบันเทิงใจขึ้นก็ได้อาจระลึกถึงการทำงานการบำเพ็ญประโยชน์ของตนอาจระลึกถึงพระรัตนตรัยและสิ่งดีงามอื่นๆอาจหยิบยกเอาหลักธรรมบางอย่างขึ้นมาพิจารณาแล้วเกิดความเข้าใจได้หลักความหมายเป็นต้น แล้วเกิดความปราบปลื้มบันเทิงใจขึ้นมาก็ได้ทั้งสิน้นองค์ธรรมสำคัญที่จะเป็นบรรทัดฐานหรือเป็นปัจจัยใกล้ชิดที่สุดให้สมาธิเกิดขึ้นได้ก็คือความสุขดังพุทธพจน์ที่ตรัสเป็นแบบไว้เสมอเสมอว่าสุกิโนโจิตตังสมาธิยติแปลว่าผู้มีสุข ิย่อมเป็นสมาธิขอยกตัวอย่างความเต็มมาดูสักแห่งหนึ่งเมื่อเธอรู้แจ้งอัดรู้แจ้งทำปราโมทย่อมเกิดเมื่อปราโมทปีติย่อมเกิดเมื่อมีใจปีติกายย่อมผ่อนคลายสงบผู้มีกายผ่อนคลายสงบย่อมได้สวยสุข